ไม่รักที่ไรให้ใจก็โดนทิ้งไม่รักกันจริงซะเลยนะผู้ชายก็พอกันที่ไม่ไว้มันตรอมใจมันสังกะตายกับรักที่ไห